เอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาสิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอั ต, ตานังอุปมางกั ต, ตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาจยากลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย กล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์ได้สัตว์โดยสารทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกศลสังยุตว่าสัมพาทิซาอนุปริคั ม, มะเจตาซาเนวัชคาปิยะตะระม ต, ตนากวจัจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปเรสังตัสมาณหิงเซปรังอัตกามโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้ว ยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทสภาสิทธิเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทําต่อผู้อื่นทํานองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทําต่อท่านคําพูดของของจื๊อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน เป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้าศาสนาแห่งพระองค์เป็นาศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคือไอหิงซ่าปรโมธรรมโมส่งยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศส่งยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบ ในพระประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความอดทนความสงบความนิ่งรอให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้บุอื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัพ นางกินจมานวิกาเป็นต้นคำพีอุปนิสัตต์ศาสดาหมหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิน้นและปรัชญาสมัยใหม่ในศัตว์ทวที่ยี่สิบแห่งคริตการเช่นมหาธรรมคานทีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คานทียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานทีถือว่าการกระทาเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียน คารทีอนุญาตแม้การฆ่าคนในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนนไม่มีใครสามารถจับเขาทั้งเป็นได้ใครสามารถฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำความชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับสุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความการุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมคานทีกล่าวว่าอหิงสาจะต้องแสดงออกทางความรักการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้า ไอหิงสาจะต้องถูกทำลายลงโดยความคิดชั่วทุกๆอย่างโดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายอย่างไรก็ตามคานทีถือว่าอาหิงสาไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามมันเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้ความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขลาดจะปฏิบัติตามอาหิงสาทำไม่ได้เลย เขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยอันหนึง่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติไอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้คานทีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สําคัญของไอหิงสาบุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหานแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกข์ และยังจะทําใจให้รับผู้ทําผิดเสียอีกด้วยขอนํามติของคานทีเสนออีกประโยคหนึ่งคานทีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคัง่งมีรถยนต์และห่วงแหนร่างกายนั้นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนที่แท้จริงหาได้ไหมบุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคม เท่ที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปอหิงสาของคานทีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคานทีอ่านปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าอาหิงสาเบื้องต้นของคานทีจะขาดกับอหิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตในข่าสาร บ, บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอาหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่อ อ, อหิงสา อย่างไรก็ตามทามข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กัลยาณชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคมสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระาศาสนาตรัรรสพระภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาบถีทรงปรารบภิกษุฉับพัคีซึ่งแปลว่าพวกหคน มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตะระสะพักคีคือภิกษุพวกสิบเจ็ดคนซ่อมแซมเสนาชนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุฉัพฟัคีคือพวกหกคนไล่ให้พวกสิบเจ็ดออกจากเสนาชนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสน า, สนาชนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวกสิบเจ็ดไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้ พวกหจึงตีพวกสิบเจ็ดพวกสิบเจ็ดร้องไห้ลั่นวิหารพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทภิกษุพวกหกว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทําอย่างนั้นภิกษุใดทำคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตตีอย่างนี้แล้วทรงบัญญัติประหานทานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันและทรงประทานพระโอวาทต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมบาดวันต่ออาญา ย่อมกลัวต่อความตายฉั้นใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาทยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสัพเพตะสันติทันทัศนเป็นอาทิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระอัฏฐกถาาจารย์กล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมายเอาสัตว์ทั่วไป ยกเว้นสีพวกคือหนึ่งช้างอาชาในสองม้าอาชาในสย 3. โคอุสุภพพราช 4. พระขีณาสพสัตว์สามพวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสการยติิจัดคือมีความทะนงตนจัดส่วนพระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะละสการยติได้แล้วไม่มีความทะนงตนเลย